ในทางตรงข้ามถึงแม้ว่าจะดำเนินชีวิตประจำวันนะแต่ว่าก็ตามดูรู้ใจเมื่อส่งจิตออกนอกก็รู้นะเมื่อมีความาคุณคิดในทางกามในทางาโทสะก็รู้นะแล้วก็วางมันลงได้ อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติมากกว่านะแม้ว่าอยู่ในอุบายบทนอนหรือว่าพิงเสาอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัตินะเพราะว่าใจนั้นเนี่ยนะร่วมมีความตื่นรูนะ้หลักอย่างหนึ่งในการช่วยวางใจนะให้เหมาะกับการปฏิบัตินะ หลวงพ่อเทียนท่านได้แนะนำไว้นะสมัยเทยตามาบวชใหม่ๆไปปฏิบัติกับท่านท่านก็บอกว่าให้ทำเล่นๆนะทำเล่นๆแต่ว่าทำจริงๆทำเล่นๆนในที่นี้หมายความว่าทำโดยไม่หวังผลนะ มันจะหลุดมันจะหลงไปบ้างนะก็ชั่งมันนะเหมือนกับเวลาเราทําอะไรเล่นฟุตบอลนะเล่นแบบเล่นๆ เ, เนี่ยนะนะแพ้ชนะก็ไม่มีความหมายนะเพราะว่าเราไม่ได้นะหวังชนะอยู่แล้วทําเล่นลนคือไม่ได้ทําด้วยความอยากนะไม่ได้ดยทาด้วยความคิดว่าจะต้องเอาให้ได้เอาให้ได้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 ไปควบคุมจิตเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ใจมันหลุดลอยนะจะพยายามเอาชนะให้ได้เอาชนะและเอาชนะความฟุง้งนซะ่านแต่ว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนนะใจมันก็ยังฟุ้งซ่านไปอยู่เรื่อยๆนะก็ยิ่งไม่พอใจนะพยายามเพ่งแล้ว มันก็ยังหลุดมันก็ยังลอยก็ยิ่งเพ่งหนักเข้านะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ไปดักดูความคิดนะไปดักไปเฝ้าดูความคิดนะเหมือนกับแมวที่คอยดักดูหนูตรงตรงปากตรงปากรูของมันะ นะถ้าไปดักดูความคิดนี่ก็จะรู้สึกว่าใจมันหนักนะใจมันเครียดมากขึ้นแล้วยิ่งพอมีความคิดออกมาก็ไปตะปบมันนะไปกดมันเอาไว้นะอันนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้เครียดนะเพราะว่าใจนี่มันมีพลังจะไปกดข่มมันนี่มันก็ไม่ยอมยิ่งกดยิ่งข่มมันยิ่งสู้ นะเหมือนกับวัยรุ่นนะนะหรือเด็กยิ่งห้ามก็เหมือนก็ยิ่งยุถ้าคนที่พยายามตั้งใจปฏิบัติเนี่ยก็จะมีก็จะตกลุมในลักษณะนี้ก็คือไปเพ่งที่กายนะหรือไปเพ่งที่จิตไปพยายามควบคุมจิตพยายามดักดูความคิดไม่ให้มันผุดมันโผล่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 หรือว่าไปตบบกฎคมมันก็ไม่ใช่น เ, เพียงแค่รู้เฉยๆในะหม่ๆก็จะรู้ได้ช้าก็ไม่เป็นไรนะการรู้เนี่ยนะมันก็มีอนุภาพพอแรงอยู่แล้วเคยมีคนถามหลวงปู่ดูล น, นะตุลโลนนะว่า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 หลวงพ่อเทียนท่านก็ย้ำในย้ำว่าเนี่ยทำเล่นๆแต่ทำจริงๆไอ้ทำจริงๆเนี่ยหมายความว่านะทำไม่หยุดนะตื่นขึ้นมารู้ตัวก็ทำเลยนะเคยถามท่านว่าเนี่ยจะปฏิบัตินี่ทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องก็คิดว่าปฏิบัติเหมือนกับเวลาราชการนะ 9โมงเช้าเลิก4โมงเย็นนะท่านบอกนะตั้งแต่ตื่นจนหลับไปเลยตั้งแต่ตื่นยังเข้านอนก็ตกใจนะโอ้ขนาดปฏิบัติแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็เครียดก็นักแล้วนี่ให้ทำทั้งทั้งวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเข้านอนนี้มันสิบกว่าชั่วโมงนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดชั่วโมงจะไหวหรือนะมันไหวนะ ถ้าเกิดว่าเร า, เราทําเล่นๆทําโดยไม่เพ่งทําโดยไม่ไปพยายามบงับงคับควบคุมจิตแต่ก็ไม่เข้าใจนะว่าทําเล่นๆนี่คืออะไรก็ไปพยายามที่จะเฝ้าดูเฝ้าดูจิตนะฉันนี่เรียกว่าคุมจิตแจเลยนะพอมันเผลอคิดก็ไปกดมัน ทำบ่อยๆนี่นะทำเป็นอาทิตย์นี่ปรากว่าความคิดนี่มันหลบในเลยนะมันไม่โผล่มาแต่เรารู้สึกหนักรู้สึกหนักมันไม่เบาแล้วปรากว่าพอเราเผลอเนี่ยเช่นใกล้จะนอนเนี่ยไอความคิดที่มันอัดที่มันซ่อนอยู่มันก็พลั่งโผล่ออกมานะีมันเหมือนกับทำนกแตกนะ เอาไม่อยู่เลยนะแถมไปโผล่ในความฝันอีกนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราทำผิดวิธีนะเราไปพยายามบังคับควบคุมและกดข่มความคิดนะเพราะตั้งใจจะเอาชนะมันนะไการปฏิบัติเนี่ยต้องวางนะความอยากจะเอาชนะไม่ว่าชนะความคิดฟุง้งซ่านหรือชนะกิเลสก็แล้วแต่ทำไปเล่นๆ น, นะ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 ถ้ามีอาการอย่างนี้แสดงว่าวางใจผิดแล้วคือว่าตึงไปทำด้วยความอยากนะบางคนมีอาการนะหนักนะอย่างไม่น่าเชื่อหลวงพ่อคำเขียนเคยเล่านะตอนที่ไปจำพรรษาที่วัดโมก็มีโยมผู้ชายคนหนึ่งนะแกก็มาปฏิบัติแกก็ดูท่าทางตั้งใจจริง วันหนึ่งแกไม่มาทาวัดรเช้าฉันถึงเวลาฉันถึงเวลากินข้าวแกก็ไม่มาหลวงพ่อก็เลยแปลกใจเลยไปหาที่กุติพอเรียกชื่อนี่แกก็เรียกเหมือนกับร้องขอความช่วยเหลือหลวงพ่อหลวงพ่อนะช่วยผมด้วย เกิดอะไรขึ้นปราะว่ามือแกค้างแกยกมือสร้างจังหวะแล้วมือมันค้างนะถามก็ได้ความว่ามันค้างตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้ทําวัดก็เพราะว่ามือมันค้างนะจนถึงเวลาหลังเวลาฉันมือก็ยังค้างมักี่ชั่วโมงอ่ะนะลองนี้ดูหลวงพ่อเจอแบบนี้ท่านก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เลยชวนคุยนะชวนถามถามเรื่องครอบครัวมีลูกกี่คนนะลูกคนที่ทําอะไรลูกคนนั้นทําอะไรออกเรือนแต่งงานหรือ ย, ยังลูกมีลูกกี่คนนะอาชีพอะไรบ้างชวนคุยนะแกก็ตอบนะคุยกับหลวงพ่อได้สักพักมือที่ค้างอยู่ก็ตกเลยตกเลยยังไม่รู้ตัวนะก็ยังคุยกับหลวงพ่อต่อจนทั้งหลวงพ่อชี่อด้วเนี่ยมือมันหลุดละ เน่ยก็ดีใจว่ามือหลุดแล้วเป็นพ่ออะไรนะพ่อแก่ไปเพ่งไปเพ่งน่ะเพ่งจิตเพ่งเข้าไหนพ่อทําด้วยความอยากมันก็เพ่งไปเพ่งจิตพอเพ่งเข้าไหนมากๆนี่ประกะว่านะมันติดนะหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนทำคือพยายามแงจิตออกมาพยายามแงจิตออกมาเพื่อคือคือดึงจิตออกมาเพื่อรับรู้ โลกภายนอกนะชวนคุยเพื่อให้จิตเนี่ยมันคลายนะจากความจากการเพ่งให้มารับรู้เรื่องนอกตัวบ้างนะจะเรียกว่างี้ยส่งจิตออกนอกบ้างกนะ็เพื่อให้จิตมันคลายนะมันจะมีการแปลกๆนะบางคนบางคนก็อย่างที่นี่ก็เคยเป็นพอทํามากๆเข้าตัวแข็งนะเหมือนกับว่า ไม่คยไม่เหมือนกับว่าจะเป็นลมรับรู้ได้แต่ขยับเขยื่อนไม่ได้ที่ร่างว่าไม่สบายตั้งพอไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลแก้งคอหมอไม่ทันทําอะไรก็หายเลยนะเพราะว่าจิตมันคลายนั้นการที่ถ้าตั้งใจทํามากๆเนี่ยนะมันมันจะทําให้เกิดความ เครียดได้ง่ายแล้วก็มันไม่ใช่เครียดที่กายไม่ใช่เครียดที่ใจนะบางทีกายก็เครียดตามไปด้วยแล้วก็มีอาการแปลกๆนะบางคนที่ต้องให้เลิกปฏิบัติไปเลยพอเลิกปฏิบัติก็ดีขึ้นและจิต ท, ที่มันเพ่งเนี่ยนะเวลาเพ่งเข้าไหนแล้วเนี่ยนะบางทีจะปรับให้กลับสู่ปกตินี่ยากนะมันไม่เหมือนกับคนที่ฟุง้งซ่านคนที่ใจลอย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 ท่านใช้คํ า, าว่าทําเล่นๆไปเลยเพื่อจะได้ไม่ไปไม่ไปไม่ไปยึดติดถือมั่นนะกับกับผลที่จะเกิดขึ้นนะก็คือให้ทําด้วยไม่ให้ทํำด้วยความอยากได้อ่านพระสูตรบทหนึ่งนะท่านพูดถึงอริยมรรคว่าเปรียบเสมือนยานและทางกัมพูว o w เนี่ยสตินี่เหมือนกับสารทีของยานนี้ แล้วก็ปัญญาก็ดีชานก็ดีนเนี่ยเปรียบเหมือนเผาแล้วท่านก็พูดเปรียบพูดถึงความไม่อยากนะว่าเป็นเสมือนประทุนประทุนลดนะไอ้ความไม่อยากนี่น่าสนใจนะความไม่อยากนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบสร้างอริยมรรคยาน ความไม่อยากนี่ไม่ใช่ไม่อยากในกามอย่างเดียวนะมารวมถึงไม่อยากที่จะมีจะเป็นด้วยนักปฏิบัติบางทีเนี่ยทำด้วยความอยากเนี่ยไม่ใช่อยากในกามนะแต่ว่าอยากมีอยากเป็นอยากได้คุณมีวิเศษบางอย่างนั้นในการที่จะเข้าถึงหรือว่าทำให้อริยมรรคไยาี้เกิดขึ้นได้นี่ความไม่อยากนี่ก็ เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งนะก็คือวางความอยากของเสียนะให้ใจอยู่กับปัจจุบันนะถ้าทําก็ทําด้วยฉันทะดีกว่าฉันทะคือความพอใจที่ได้ทําไม่ใช่ทําด้วยตัณหาคือความอยากได้ความอยากมีสองอย่างคืออยากทํากับอยากได้นักปฏิบัติจํานวนไม่น้อยนะอยากได้อยากได้คุณวิเศษอยากได้รูปนามอยากได้ความหลุดพ้น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 อันนั้นเนี่ยจะใช้กับการเรียนหนังสือทำได้นะจะใช้กับการทำงานทางโลกก็ได้มันก็สำเร็จเหมือนกันแต่ว่าไอ้งานทางธรรมหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นแล้วใจเนี่ยมันไม่สมดุลใจมันใจมันเอียงใจมันไม่เป็นปกติแล้วเพราะมันมีความอยากใจนั่นต้องทาให้ใจเนี่ยสมดุลให้ได้นอกจากการ ทำเล่นๆแล้วเนี่ยสิ่งทีนะ่ควบคู่กันนะที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันสัมพันธ์กันมากนะก็คือรู้ซื่อๆนะหรือว่ารู้เฉยๆนะรู้ซื่อซื่อรู้เฉยเนี่ยมันแปลว่าอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้โดยที่ไม่ไปทำอะไรกับความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าเราทำด้วยความอยากเนี่ยนะมันจะไม่รู้สื่อๆนะพอเห็นนี่ก็จะเข้าไปตะปบก็จะไปกดข่มเลยนะพอมีความโกรธเกิดขึ้นก็จะเข้าไปกดมันนะทำอะไรกับจิตก็ได้เพื่อให้มันหรือทำอะไรกับอารมณ์นั้นก็ได้เพื่อให้มันหายไปอันนี้ไม่ใช่รู้สื่อๆนะรู้สื่อๆคือรู้เฉยๆนะคือโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่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 แต่ว่าพอวันต่อมามันก็ทําอย่างนั้นอีกคราวนี้เจ้าของไม่ว่าเจ้าของตีมันพอตีมันเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกับได้ใจมันก็ทําอีกนะยิ่งตีมันลืมถึงขั้นเอาไม้ฟาดมันเนี่ยนะมันกลับทําหนักขึ้นนะจนกระทั่งเจ้าของเนี่ยหมดปัญญาอันนี้ผูร้รู้ทางด้าน สุนักวิทยาเนี่ยนะเขาจะบอกว่าเจอมาแบบนี้เนี่ยแกล้งทาเป็นไม่สนใจมันนะไม่ต้องดุด่ามันไม่ต้องลงโทษมันไม่ต้องตีมันเพียงแค่ไม่สนใจมันเท่านั้นแหละนะมันก็จะค่อยๆเลิกทำไปเองน่าทำไมนะเพราะว่าที่มันที่มันทาอย่างนั้นที่มันที่มันกัดมันเยี่ยวเนี่ย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 เป็นเพราะว่ามันทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมันก็จะค่อยๆเลิกทําไปเองไอความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจที่มันรบกวนใจิตใจเราบางทีก็ไม่ไม่ตายจากหมาประเภทนี้นะก็คือว่ายิ่งเราไปกดขม่มมันยิ่งเราไปทําอะไรกับมันนะมันก็ยิ่งได้ใจนะก็ยิ่งโผล่ยิ่งผุดและพอเราทํากดขม่มมันมากขึ้นมันก็มาใหญ่เลย ทีนี้เราเป็นไงถ้าเรามีความอยากนะเราต้องการความสงบเร า, าได้ความสงบพ่นมากมากๆเนี่ยเราก็เริ่มจะหงุดหงิดแล้วก็เริ่มจะจะเรียกว่าคลั่งเลยก็ได้หลวงพ่ออมกำเขียนเคยเล่าถึงพระรูปหลวงตารูปหนึ่งซึ่งท่านก็ตั้งใจปฏิบัติเดินจงกรมสร้างจังหวะทั้งวันนะแต่ว่าทำแล้วดูแล้วหน้าทำหน้าดำขําเคร่งมา ท่าก็พยายามไปควบคุมความคิดทําไปทํามามาเห็นอีกทีก็เห็นภาพลุมนี้เนี่ยเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองแล้วก็บ่นขึ้นมาพูดมาทําไมมันคิดมากเหลือเกินว่าทําไมมันคิดมากเหลือเกินว่านี่พระอะไรเพราะว่าไม่รู้ซื่ อ, อพยายามที่จะไปควบคุมบังคับจิตซึ่งมันก็กลับยิ่งต่อสู้หนักขึ้นแล้วยังไงเราก็แพ้มัน ถ้าเราใช้วิธีพยายามบล็ควบคุมบังคับหรือผลักสายมันแต่วิธีที่จะสู้ไม่ได้คือรู้เฉยๆรู้สื่อๆนะรู้สื่อๆรู้สื่อๆมันมีความหมายนะว่ารู้โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ไข่ไม่ผลักสายเราก็ไม่ไขว่คว้าอารมณ์ที่เป็นอกุศลอกุศลวิตตกความคิดฟุ้งซ่านก็ไม่ผลักส อารมณ์ที่ดีน่าพึงพอใจก็ไม่ไขว้คว้านะรู้ส่อซึ้ง ใ, ใจเรียกว่าอีกอย่างนึงก็ไดว้วางใจเป็นกลางนะวางใจเป็นกลางคือว่ามีความสงบก็ไม่ได้ชอบฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ชังไม่มีความชอบหรือชังแค่ดูมันด้วยใจที่เป็นกลางนะ หลวงพ่ อ, พอเขียน ว, ว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างไม่ใช่คิดดีเอาคิดไม่ดีไม่เอาผักใสไม่ใช่อันนี้เรียว่าไม่เป็นกลางอันนี้เรียว่าไม่ใช่รู้สื่อๆแนละ้วหลายคนเนี่ยจะมีอคตินะจะมีอคติต่ออารมณ์นะถ้าสงบนี่นะจะชอบปรดปลานมากนะแต่ว่าถ้าเป็นความเป็นความเบือ่อความงหงุดหงิดนะหรือว่าความ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 ก็เท่ากับว่ากำลังให้อํานาจกับสิววันนั้นพอเห็นสิวทีไรก็จะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยสิวไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจที่ไม่ชอบใจที่พยายามผลักไสเหมือนกับเสียงที่ดังหมาเห่าเมื่อเช้าเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจที่ไม่ชอบใจที่ผลักไสผัสสะเกิดขึ้นอันนั้นไม่ใช่ปัญหาไม่ว่าจะผัสสะเรื่องอะไรก็ตาม นะแต่เพราะว่าใจมันปรุงแต่งไม่ว่าลบหรือบวกสาระกปฏิบัติเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นลบความไม่ชอบอารมณ์ความคิดที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นนะใจไม่เป็นกลางนะถึงแม้ว่าดูเหมือนจะรู้ทันนะรู้ว่ามีความโกวธเกิดขึ้นนะรู้ว่ามีความเบื่อเกิดขึ้ น, นะนทํำไมมันไม่หายหลายคนจะพูดแบบนี้นะก็เพราะว่า เราไม่ได้วางใจเป็นกลางต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอย่างแท้จริงเป็นสติที่ไม่บริสุทธิ์จริงๆกับสติบริสุทธิ์อยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีสิ่งเจือปนก็คือความอยากนะเราอยากสงบเราก็เลยไม่ชอบความฟุง้งซ่านเราก็เลยไม่ชอบความเบือ่อนะสตินั้นเปลี่ยนเหมือนน้าก็จริงนะแต่ถ้าเกิดว่า น้ำนั้นเจือด้วยน้ำมันเนี่ยมันจะดับไฟได้ไหมทำไมบงคบอกว่าโกรธก็รู้ว่าโกรธทำไมไม่หายนะก็เพราะว่าสตินะที่ไปรู้ความโกรธนั่นนะ่ยมันไม่ใช่เป็นสติที่บริสุทธิ์นะแต่มันเจือด้วยความไม่ชอบอยากจะให้ความโกรธนั้นหายไปความรู้สึกลบต่อความโกรธ ในใจมันแฝงความโกรธที่มีต่อความโกรธเอาไว้ด้วยนะความไม่ชอบคือโทสะชนิดหนึ่งนะมันก็เลยเปียกเหมือนกับน้ำที่เจอในน้ำมันนะมันไม่สามารถจะดับไฟได้ความโกรธเหมือนกับไฟถ้าเป็นสติเพียวๆสติบริสุทธิ์เนี่ยก็เหมือนกับน้ำนะที่ไม่มีน้ำมันเจือปนมันก็ดับไฟได้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายคนว่าทาไมรั่ว รู้ว่าโกรธทำไมันไม่หายก็เพราะลึกๆเนี่ยใจมันมีความรู้สึกชิงชังความโกรธนั้นอยากให้ความโกรธหายไปมันก็เลยไม่ได้รู้เฉยๆไม่ได้รู้ซื่อๆแต่มันมีความรู้สึกไปกดข่มความโกรธด้วยมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยมีความกลัวมากนะกลัวสารพัดเลยกลัวความมืดกลัว กลัวกลัววิตกกลัวเพี้ยนแล้วเขาก็พยายามพยายามที่มีสติรู้นะเวลาความกลัวเกิดขึ้นก็รู้ว่ากลัวกลัวกลัวแต่ว่าก็เผลอหลุดเข้าไปในความกลัวทุกครั้งนะความกลัวไม่หายเลยทั้งที่เขารู้สึกว่าเขายามกาหนดรู้นะว่ากลัวกลัวแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาึ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 ในการกําหนดรู้หรือว่าในการรู้ด้วยสติเนี่ยเท่ากับว่ามันกําลังมีน้ํามันเจืออยู่ในน้ําที่เราเอาไว้ดับไฟสํารวจใจของเราให้ดีนะนะว่าใจของเราเนี่ยเป็นกลางกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าเนะีเรารู้ซื่ อ, อจริงจริงหรือเปล่านะสิ่งที่จะชี้ว่าว่าเรารู้ซื่ อ, อหรือว่าเรา ใจเป็นกลางคือว่าเรายอมรับมันเรายอมรับมันได้นะมันจะมีความฟุง้งซ่านจะมีความวุ่นวาบุ้นมันจะมีความเบื่อเออจะอยู่ก็อยู่ไปฉันไม่ว่าอะไรนะฉันก็จะฉันก็จะเพียงแค่รู้เฉยๆนะลองถามใจแล้วว่าเราโอเคไหมเรายอมรับมันได้ไหมถ้าเรายอมรับไม่ได้แสดงว่าใจเรงไม่เป็นกลางนะแลวจริงๆเนี่ยนะ ก็แสดงว่าเรายังมีความหลงอยู่เพราะว่าความเบื่อก็ดีความว้าวุ่นก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีหรือนิวรน์ถ้าจริงๆมันไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือใจที่ไม่ยอมรับมันใจที่พยายามกดข่มมันถ้า เ, าเป็นการเจริญสมถกรรมาฐานโอเคนะการที่พยายามจัดการกับนิวรณให้มันหายไปอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าเมื่อมันหายไปใจก็สงบแต่การเจริญสติเนี่ยนะ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 นะการรับรู้จิ ต, <ro> จตอย่างที่เป็นจริงรับรู้กายอย่างที่เป็นจริงนะไม่ใช่บังคับหรือควบคุมให้มันเป็นไปอย่างที่เราอยากอันนั้นเราเรียกว่าสมถะแต่ว่าในการที่จะเห็นความจริงเนี่ยก็ต้องเห็นมันอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้มันอยากอยากเห็นมันหรืออยากให้มันเป็นอย่างที่เราหวัง นี่มรในละมรในแง่ของการเจริญสติมในแง่ของการทำพิปั ส, สนานะความความโกรธก็ดีนะถ้าเราเห็นมันความฟุ้งซ่านก็ดีถ้าเราเห็นมันทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ดีถ้าเราเห็นมันแต่ถ้าเกิดว่ามีความสุขแล้วไม่เห็นมันเคลิ้มลหลงไหลมันอันนี้ไม่ดีมีความสงบแล้วไม่รู้นะลหลงไหลหายก็ไปในความสงบนั้นอันนี้ไม่ดี อันนี้มอในมุมของการเจริญปัสสนานะอาจจะดีในแง่ของสมถะกรรมฐานคือใจสงบแต่ว่าในการเจริญปัสสนกรรมฐานแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นถ้าเห็นมันเพราะว่าไม่ว่ากุศลหรืออกุศลมันล้วนแล้วแต่สอนไตรลักษณ์หรือว่าแสดงไตรลักษณ์ให้แก่เราพิปัสนาเราเจริญปัสนาก็เพื่อเห็นไตรลักษณ์เพื่อเห็นความจริงนะและความจริงนั้นก็สามารถจะปรากฏ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 ค่อยๆเลือนหายไปเองนะเมื่อคนที่มาบ้านแล้วเราเอาแต่ขับสายไล่ส่งเนี่ยนะเราไม่ชอบเขาเขาก็เป็นศัตรูกับเราเขาก็จะแกล้งเราด้วยการอยู่ด้วยการตือ้อนะให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รู้สึกไม่ได้ผักสายไล่ส่งเขาเขาจะมาก็มาเราปฏิบัติเค้าเหมือนกับเพื่อนเพื่อนบ้านนะ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 ถ้าเราผักสายมันเมื่อไหลนะเราจะไม่ใช่แค่เมื่อยกายแต่เราจะปวดใจด้วยคนที่เขายอมรับทุกขเวทนาได้ยอมรับความปวดได้เนี่ยจะมีแต่กายที่ปวดนะแต่ว่าใจจะปวดน้อยมากจยิ่งแพรมผักสายมันเท่าไหร่เนี่ยนะก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญนะ่เพราะนั้นเนี่ยลองสังเกตดูใจเราผักสายหมต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ลักสายก็ไม่ใช่นะไม่ใช่วิธีไม่ใช่ทางเคลิมคล้อยไหลหลงก็ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ความเป็นกลางอันนั้นไม่ใช่รู้สื่อแค่อสองหลักเนี่ยสำคัญมากนะในการปฏิบัติคือทำเล่นๆแล้วก็รู้สื่ อ, อลองไปพิจารณาดูการปฏิบัติของเราว่าเราได้นะได้ใช้หรือว่าได้ทาตาม อ่าแนวทางหรือหลักที่ครูบาจารย์หรือพระหลวงพ่อเทียนท่านได้สอนหรือเปล่าคำนี้ก็เพือ่อทานี้นะครับ